โอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ท่านแลวตาภาวนาเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสภายในมานึกน้อมเอาคณพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นอารมณ์ได้แก่พุโทโธภายในจิตถ้าทำคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้า ที่เราเรียกว่าพุทธศาสนานีที่จะรู้ได้เข้าใจนั้น <c oughs> <c oughs> ต้องเป็นธรรมะปฏิบัติในสมัยครล้งพุทธกาลมีพระพิสุอง์หนึ่ง กังจะมาบวชมาเรียนแล้วก็จดจำธรรมะคำสอนของสาพุ ธ, ธิจาจนจำได้หมดแปด0มื่นสี่พันระธรรมคัน์และเคยท่องจำมาอย่างนี้หลายสาพุตธธิเจ้ามาแล้วก็ไม่ได้สำเร็จมากผล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 ท่านแสดงในเมตรหมายว่ามีหัวปลวกอยู่หัวหนึ่งแต่มีเฮี้ยนีตะกวดเข้าออกอยู่ในหัวปลวกนั้นเมโลเข้าออกอยู่หกโลแล้วให้กิดห้าโล ติดให้แน่นยาให้มันออกมาได้แล้วก็เปิดทางใจขุดเข้าไปอก็จะได้เฮี้ยได้ตะกวดนั้นเมื่อท่านทำตามไม่เพียงจะจดจำทำตามจริงๆคนที่สุด จิตใจของท่านก็ได้สำเร็จมัดผลคือว่าได้ด้วยการทำการปฏิบัติแม้เราทุกคนทุกโรคทุกนามไม่ว่าหญิงชายเด็กนมแก่ขรืหัดบันผาจิตคำว่าหัวปลวกก็คือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละเมื่อเวลาเรานั่ง ก็เหมือนกับว่าจอมปลวกหรือหัวปลวกจิตมันเข้าออกอยู่ในตัวในใจเราทุกคนออกมาทางตาหลงในรูปออกมาทางหูหลงในเสียงออกมาทางจมูกหลงในจิตออกมาทางเล่นหลงในรสอาหารออกมาทางกาย หลงไหลในโขธพภพเย็นร้อนอนแข็งเมื่อจิตนี้ยังแสสายลุ่มหลงไปตามอาญตนะทั้งหลายไม่ติดวหยไม่สังวรระวังในอินทรีทั้งหกก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจในธรรมปฏิบัติ จะปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ตามถ้าปล่อยให้ตาหูจมู ก, กลี้นกายใจลุ่มหลงมัวเมาไปตามทำหน้ากิเลสไม่สังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหลายไม่ปิดไม่กัน้นท่านให้ปิดกั้นหมด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 จิตก็ละหลวมทอแพร่ออนแอร์ไม่ตั้งใจให้ถึงที่ชื่อว่าการปฏิบัตินั้นย่อหย่อนทอถอยมักง่ายไม่เอาจริงปล่อยฟะละเลยคือไม่ตั้งใจทำจริงๆไม่คุดค้นลงไปจริงๆ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 ก็เรียกว่าอาศัยอยู่เพื่อกิเลสในใจกิเลสทางตาได้แก่จิตหลงไหลในรูปกิเลสทางหูจิตหลงไหลในเสียงหลงไหลในกลิ่นหลงไหลในรสอาหารการกิน หลงไหลในโพธภิภะหลงไหลในธรรมลมเมื่อหลงไหลออกไปเท่าไหรเท่าไ ร, าไรก็ยิ่งห่างไกลออกไปไม่อยู่ในกายในจิตแล้วว่าหาาธธรร่างไกลพุทธธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธธรรมคำสอนของตระพุทธเจ้านั้น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 พระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ก็ดวงจิตดวงใจนี่แหละตัวเราทุกคนก็ให้เข้าใจเถิดว่านี่คือสู้พระธรรมตู้พระไตรกิจสู้พระไกลขอพระไก่ขอพระธรรมเมื่อได้กายวาจาจิตมาแล้วชื่อว่าเราได้พระธรรมแต่เป็นพระธรรม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 แต่ไม่รู้พระธรรมนั่งเฝ้าตู้พระไกรอยู่แต่ไม่รู้พระไารจีดกอาศัยอยู่ในตู้พระธรรมวินยัยณสัทธุศาสนาคำสอนของสัพพิติเจ้าแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจกีเลสมันก็ผ่านไป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 หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโสธประาธรรมารมณ์เมื่ออะไรกระทบมาก็ไม่มีปัญญาพินิสิจารณาเป็นต้นว่าตาเห็นรูปรูปนั้นมันจะเป็นรูปเรลารูปเขารูปคนรูปสัดรูปวัตถุเข้าของรูปต้นไม้ภูเขา ค้องฟ้าอากาศรูปอะไรก็ตามเมื่อมันมาปรากฏในสายตานั่นแล้วต้องกำหนดที่จะละหนาอย่าให้มันลหลงไหลไปอย่างเดียวโลกทั้งหลายแหลส่วนมากจิตใจหลงนี้มันก็ชอบแต่ส่วนที่รูปดีรูปดีที่จิตมันเห็นว่าดีนะ มันก็ต้องการลูกที่ดีลูกที่สวยสดงดงามตามสมมุติภาษานั้นแล้วมันหารูไม่ว่าในลูกที่ว่า ด, ดีนั้นมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในนั้นอย่างว่ารูปร่างกายของเราทุกคน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 เป็นผีดิดไม่ใช่ผีตายไม่ใช่ผีสุขผีดิดผีดิดนี้เมื่อมันยังไม่ตายมีเรื่องราวมากมายหลายอย่างหลายประการแม่อคำแนะนำสั่งสอนจะสอนว่าให้ภาวนาพุทโธตั้งใจบริกรรมภาวนาหรืออุบายใดก็ต า, าม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 เมื่อจิตไม่ไม่เพ่งดูกายดูตัวของเราให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาก็มาลูกคำสำคัญติดคิดว่าตัวเรานี้ไม่ไม่เป็นอะไรมีแต่ความสุขความสบายความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มี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 อะไรเราจะเกิดขึ้นนี่ยังไม่ตายมันก็เกียมตายยังไม่เน่าไม่เปือยมันก็เรียมเน่าเกียมเปือยอยู่แล้วในร่างกายสังขารนี่พระพุทธเจา้าพระองค์จึงเตือนไว้ว่าโรคประขันต์นี่ก็เือว่าก้อนอสุพะคำว่าอาสุภะก็คือว่าสิ่งไม่สวยไม่งาม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 ถ้ากำหนดให้เห็นเป็นของไม่งามเต็มไปด้วยูุโพโลโหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อกำนดได้ใจก็สงบใจก็สลดสังเวชในโลกพัะขันอันนี้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 นามแลกจะเกิดไทอันตรายเพราะว่าผู้จงผู้แนะนำผู้พาไปก็ตาบอดไม่เห็นทางไม่เห็นทางมันก็ผิดทางเมื่อผิดทางมันก็โดนไทอันตรายต่างๆเพราะจิตมันบอดถ้าจะมีหลายคนตาบอด แต่ว่ามีคนตาดีจูงคนตาบอดทั้งหลายจับเชือกจับไม้ก็ย่อมไปได้อันนี้ได้แก่เราทุกคนทุกลวงใจแม้จะมืดมาแล้วตั้งแต่อนเนกาตินับพบนับชาติไม่ท้วนเมื่อมาถึงชาติปัจจุบันนี้ ขอให้เชื่อต่อพระธรรมดีในสัตตุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าทางใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่เป็นคนดื้อด้านยากขาดทำตามอำนาจจีเลสความโกรธโลบหลงของตนแล้ววันเลิกละจีเลส ต, ต่างๆออกไป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 วารธรทมนามทรรมตัวตนอันนี้มันมีอายุยืนยาวข่าวไกลขนาดไหนเป็นของมั่นคงถาววอนยั่งยืนชั่วฟ้าดินสลายหรือให้มองเห็นว่ามันลอความตาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก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 ยังไม่สมบูรณ์แต่คือต้องลงมือทาคำว่าลงมือทำคือเอาตัวทำเอากายวาจาจิตทานั่งสมาธิภาวนาก็เอากายวาจาจิตนั่งใจภาวนาร่างกายก็ น, นั่งโยในท่าสงบโยในท่าความตั้งใจ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 มีภัยอันตรายได้ทุกเวลาภัยอันตรายเกิดขึ้นภายในรูปขระขันนี่ก็มีภัยอันตรายมันเกิดมาจากภายนอกก็มีไม่ควรนึ่งนอนใจจงมองเห็นชะลาความแก่ มองให้เห็นพยาคความเจ็บไข้ได้ตัวอยู่ตลอดกาลเลิกเตือนใจให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้ขมาคืบทานเข้ามาเกิดขึ้นมีขึ้นได้ทุกเวลาความตายของพระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ว่า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 นั่งอยู่ดีๆตายก็มีนอนอยู่ดีๆตายก็เยอะเดินไปไหนมาไหนเกิดไทยพี่บ่ตายได้ทุกเวลายิ่งสมัยยุดการทาหันะหรือสมัยที่มนุษย์เหี้ยมโหดมีศาสตราอาวุธระหัสประหางกัน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 กายหมดลมนั่นตายอย่างสิลนห้าิลนแปินสิบสองร้อยยี่สิบเไม่รักษาไม่ภาวนาไว้คือว่าประมาตประมาตเลินเลิกเถอะเลยลอยให้ชีวิตความเก็นอยู่มันหมดไปหมดไปตามวันคืนเดือนปี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 บอกไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มีพยาติโลคาบอกได้แต่มันไม่ฟังมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเต็มโลกอยู่อย่างนี้เลยทีนี้ถึงเวลาบทมันจะแตกจะตายจะมีโรคไม่มีโลกอะไรก็ตามแต่ว่าถ้ามันมีเกิดแล้วมันต้องมีตายเป็นคู่กันอย่างนี้ เวลามันจะแตกจะตายเราบอกได้หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกได้หรือว่าไม่ให้ตายนะให้โยนะมันโยูได้ที่ไหนเขาตายกันทางโลกกําหนดคือเจรณาดูให้ดีเมื่อมันตายแล้วอะไรแสดงออกมาตายแล้วมันกะเน่ายังไม่ตายมันกะเน่าก็เน้น แต่เมื่อเราไม่พิกรณาก็มายึดมาถือปิดบางไว้ปิดไว้บางไว้ห่อไว้หุ้มไว้ไม่ทีนิ้ติกลนาให้มันแจ้งใจเจ็ดมันก็มาลุม่มหลงมัวเมาเข้าใจผิดคิดหลงไปเน่นั้นท่านจะให้เลิกโยเสมอ เมื่อเห็นสัตว์อื่นตายก็ให้น้อมเข้ามาให้เอามาเตือนใจของเราว่าเมื่อตัวเราตายมันก็เหมือนนั่นเหมือนสัตว์ตายเหมือนคนโน้นตายคนนี่ตายไม่ว่าคารือหัดและบันทัิตเกิดมาแล้วต้องตายคนอื่นตายก็เอามาเตือนใจเตือนจิตนี้ไม่ให้นิ่งนอนใจ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 เอาไปเผาผีกีกระดูกด้วยตนเองได้ที่ไหนตายก็ทิ้งไว้ที่นั่นเองมนุษย์ที่เขายังไม่ตายก็เอาไปเผาไปเผาตามหน้าที่เราจะมาอวดดีอวดดีว่าเราดีดีที่ไหนตายแล้วมันเมาตายแล้วมันเป่อยตายแล้วมันเหลือแต่กระดูกรอดเผาไฟก็ไหม้หมด ฝังดินก็จมเป็นดินอายในน้ำก็จมลงไปในน้ำมันดีอย่างไรกำหนดที่เจรณาภาวนาให้มันเห็นแจ้งในจิตอย่ามามัวทาสมสมง่วงเหาเหานอนพุ่งซ่านลำคาญหัวเลาะร่องห้ไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดสติสมาธิปัญญา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 ก็พอร่างกายสังขารรูปขันธ์อันนี้มันมีชลาพยาธิมลนะครอบงันงำอยู่ตลอดกาลเราอยากเข้าใจว่ามันจะแก้ได้แล้วจะไปเข้าใจว่ามันหายกินยกุกกินยาหรือไม่กินก็ตามมันหายไปหายแล้วถามว่าสบายดีไม่สบายดี คามันสบายดีคนนั้นมันไม่ตายหรือต่อไปมันก็ตายไดย้คำว่าสบายมันเพียงแต่เป็นภาษาสมมติเท่านั้นมันลังงับลงไายชั่วระยะหนึ่งเหมือนกินยารลั ง, งับความเจ็บปวดมันจะลังงับไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้น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 แก้ลำคาญไปมันเอาจริงๆแล้วไม่เหลือข้าวพญามหาก ร, ริย์ก็ตายพระสิกษุสงสามมนเณรผ้าขาวนางสีลอสีก็ตายเราทุกคนที่นั่งฟังคำอยู่นี้ก็ต้องตายภายในร้อยปีหรือเลย1 0อยปีไปก็ไม่พ้นความตายเราจะยังมาสงสัยอยู่หรือ มัวหลับมัวนอนไม่ภาวนาละกิเลสนอนไปถึงไหนนอนในท้องแม่เก้าเดือนสิเดือนจึียงอดออกมายังมาหลงหลับหลงนอนต่อไปไม่ภาวนาพุทธโธในใจไม่ได้ทีพพึ่งในใจยังไม่มีในใจนี้มันยังมีแต่กิเลสโลเล ตาเห็นโลกก็โลยเลในโลกหูฟังเสียงก็โลเลในเสียงจะโมกดมจินลิ้นลิ้นล้ก็โลเลกันทั้งนั้นยังไม่มีอะไรข้ามพ้นเป็นอย่างย่างไปเลยทำอะไรก็ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสความโปรด โูดทำอะไรก็ตกอยู่ในกิเลสลาคะตัณหาคิดอ่านอะไรก็ตกอยู่ในอวิชชาตัณหาเจตไม่รู้เจตไม่รู้เจตหลงเจตหลงเจตเมามันก็ไม่รู้อะไรเหมือนคนหูหนวกหูตึงฟังเสียงไม่ได้ยินอย่างนั้น เสียงคล่าร้องก็ไม่ได้ยินเหมือนคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดเกิดมาดวงพระอทิตย์ไกันมีอยู่ในโลกก็ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะตาบอดคนไม่ภาวนาไม่ละ ก, กิเลสชื่อว่าตาใจมันบอดพุทโทรธรรมโมสังโฆในใจนึกไม่ได้เจริญไม่ได้ แต่จิตใจที่ดูด่าว่า้ายป้ายสีให้แกบุคคลผู้อื่นเข้าใจพูดได้ดานะ่าไ่้ฆ่าตัดชีวิตอะไรทุกอย่างทำได้นี่แหละคือว่าคนใจบอดคนใจมืดคนใจดำใจไม่ขวันาใจไม่ละความโกรธ ใจไม่ละความโลภโลภะตัณหาลอบไปถึงไหนลอบไปถึงวันตายตายแล้วก็เกิดมาใหม่ลอบไปอีกนี่แหละมันจะมาโลเลอยทำไมลกขึ้นเอินขึ้นลกขึ้นภาวนา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 โลชลาดสา ม, มารถคนเราเมื่อมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสจิตใจมั่นคงหนักแน่นในธรรมปฏิบัตินั่นทำดีได้ตลอดเวลาพูดดีได้ตลอดเวลาคิดดีได้คิดภาวนาได้ตลอดเวลาวศรัทธาความเชื่อ ศรัทธาความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาตั้งมันนรรมมงม่นในธรรมปฏิบัติเมื่อศรัทธาตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเต็มดวงจิตดวงใจของตนอยู่แล้วนั่นแหละสาวโกสาวกพระพุทธเจ้ามโอยู่ที่กายวาจาจิตของตัวเองทุกคน การฟังนี้เป็นเพียงนโยบายไม่ต้องจดจำให้ทำให้ภาวนาในจิตในใจของตนให้มันเต็มที่เอาให้มันเต็มที่เต็มฐานความรู้ความฉลาดความสามารถอาถฐานมันเกิดขึ้นในจิตในใจนะั้นไม่ต้องไปหาความรู้ที่ไหน เจตใจโยที่ไหนความรู้ความเข้าใจมันมีอยทุกดวงใจทุกตัวสัตว์ตัวคนทันนี้เป็นอุบายภาวานาในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายถ้ากันได้ยินได้ฟังแล้วแม้จะได้น้อยมากประการใดก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติ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 เรามีความมุ่งมากปรารถนาอันใดไว้ในจิตในใจก็จะสำเร็จลุล่วงไปตามความมุ่งมากปรารถนาะนั้นฉะนั้นโอบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพาการได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพภทปฏิบัติก็คงได้รับความจกความเจริญ เอวังก็มีด้วยประกาศนะะีสัพพิติโยวิวัตทันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุคีเทคายุโกภะวะธีวาธนาสีดิสนิจังุตพาปจาดิโน เจตาโรโอธรร ม, มาวาทันติอายุวันโอโสขังสาลา